รายการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอผลงานของอาจารย์พร ร, รัตนสุวรรณเรื่องใครจะรู้แจ้งตัวเองหนังสือเรื่องนี้จัดอยู่ในชุดสมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวันซึ่งอาจารย์พรได้เขียนลงในหนังสือวิญญาณเป็นตอนตอนตั้งแต่เดือนม ก, กราคม2510สิ ถึงเดือนสิงหาคม2512รวม19ตอนโดยอาจารย์พรได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาไว้หลายแง่หลายมุมซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป ที่หนึ่งใครที่รู้แจ้งตนเองผู้ที่หมั่นบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายอยู่เสมอร่างกายย่อมจะแข็งแรงในธรรมนองเดียวกันคนที่จะมีสุขภาพทางจิตดีอยู่เสมอก็จำเป็นต้องหมั่นเข้าสมาธิและเจริญวิปัสสนาไม่เช่นนั้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น จะบัญฑรสมรรถภาพทำให้พื้นจิตใจเสียและในที่สุดจะทำให้เป็นโรคประสาทซึ่งเป็นโรคที่รักษาหายยากและทรมานใจคนอย่างที่สุดการฝึกสมาธิและการเจริญที่ปรสชนาตามแบบของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากที่คนทั่วไปจะปฏิบัติตามไม่ได้นอกจากจะมีการสอนกันอย่างผิดๆเท่านั้น จึงจะรู้สึกว่ายากและนําไปใช้ไม่ได้ผลวิธีปฏิบัติต่างๆที่ข้าพเจ้าได้แนะนําไว้ในที่นี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วว่าคนทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติได้และจะได้ผลตามสมควรในคำพีธรรมบทพระพุทธเจ้าได้ตั้งปัญหาไว้บทหนึ่งว่า ใครจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมที่พระตถาคตไดแสดงไว้ดีแล้วและพระองค์เองก็ได้ทรงตอบปัญหาเหล่านี้ไว้ว่าพระเสขะจักรู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดคำว่าพระเสขะในที่นี้ แปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ซึ่งหมายถึงพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงขั้นพระราหารันเพราะพระราหันเรียกว่าอาเสขะแปลว่าผู้สำเร็จการศึกษาแล้วในคำพีอัตถกถาพระพุทธโคสาจารย์ท่านได้ที่บายไว้ว่าการที่พระเสขารู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ คือรู้แจ้งอัตภาพนี้และรู้แจ้งซึ่งยมโลกคืออบายภูมิรู้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกและรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วก็เพราะท่านละฉันทราคะแนวตภาพนี้ได้ขอให้ท่านโปรดจําคําพูดประโยคนี้ไว้ให้แม่น เพราะเคล็ดสำคัญในการรู้แจ้งเรื่องชีวิตของเราเองรู้แจ้งชีวิตในสากลจักรวาล น, นั้นอยู่ที่การละฉันทราคาในอัตภาพนี้เองฉันทราคาแปลว่าความติดใจรักใคร่เพราะความพอใจหรือจะแปลว่าความพอใจรักใคร่ก็ได้โดยธรรมดาคนเราทุกคน ย่อมมีความรักความพอใจในตัวของตัวเองเป็นอย่างยิ่งคนส่วนมากไม่รู้สึกว่าความรักตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอวิชชาและเป็นภัยอย่างร้ายที่สุดการที่คนทั้งหลายไม่รู้สึกก็เพราะเขายังมองไม่เห็นว่าถ้าหากเราไม่รักตัวตนอันนี้และไม่ยึดถือตัวตนอันนี้แล้ว เราก็จะได้ตัวตนที่ดีกว่านี้เช่นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าท่านแน่ใจหรือไม่ว่าถ้าร่างกายนี้ตายแล้วท่านจะได้ตัวตนที่ดีกว่านี้ในเมื่อท่านมายึดถือในร่างกายอันนี้และไม่ทำความชั่วต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าจะมีคนเพียงไม่กี่คนที่มองเห็นหรือแน่ใจว่า ถ้าเรามายึดถือร่างกายอันนี้แล้วเราจะได้ร่างกายที่ดีกว่านี้เพราะเหตุนี้คนส่วนมากจึงรักร่างกายหรือชีวิตอันนี้มากจนกระทั่งบางคนถึงกับยอมทําความชั่วต่างๆเพื่อที่จะรักษาชีวิตอันนี้ไว้สมมติว่าเราไปบอกงูให้เลือกกินสัตว์ที่มีชีวิตทุกอย่างโดยให้เหตุผลว่า ถ้ามันเลิกได้แล้วมันก็จะได้เกิดเป็นคนแต่ถ้ายังกินสัตว์ที่มีชีวิตอยู่มันก็จะต้องเป็นงูตลอดไปท่านคิดว่างูมันจะเชื่อฟังหรือไม่มันจะแน่ใจหรือไม่ว่ามันเออดจะได้เกิดเป็นคนจริงจริงและคนที่จะเชื่อและเข้าใจว่างูอาจจะเกิดเป็นคนได้ในเมื่อมันถือศีลได้นั้น จะมีสักกี่คนเราพูดพูดเป็นคนซึ่งรู้อยู่ว่าชีวิตของเราดีกว่างูมากมายแต่งูแม้จะสมมติว่ามันฟังภาษามษรู้เรื่องแต่ก็จะไม่มีงูตัวไหนยอมถือศีลเพราะการถือศีลของงูย่อมหมายถึงการฆ่าตัวเองถ้าลองพิจารณาดูให้ดี ถ้า ง, งูไม่รักชีวิตของมันมันยอมสละชีวิตของมันได้มันก็จะได้เกิดเป็นคนแต่ความจริงงูไม่มีทางที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้เลยในทำนองเดียวกันคนทั้งหลายย่อมรักชีวิตและรักอย่างมากมายยึดถือ ต, ตัวตนเป็นอย่างยิ่งยึดถือตัวกูของกูไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุด และบางคนก็รู้สึกว่าตัวกูใหญ่โตมากตัวกูวิเศษกว่าใครๆมนุษย์ทั้งหลายได้มีความมืดบอดเพราะความยึดถือในตัวเองไม่น้อยกว่าพวกงูทั้งหลายเลยเป็นความจริงอย่างยิ่งที่สุดที่ถ้าหากว่าใครเพิกถอนความรักและความยึดถือในตัวเองลงได้ ลดตัวกูของกูให้น้อยลงไปได้บ้างแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ยากข้าพเจ้าได้พูดมาบ่อยครั้งที่สุดว่าความรู้ที่มาจากภายนอกซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดมาจากประสาทสัมผัสนั้นเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะประสาทของคนเราจำกัดนอกจากประสาทจะจำกัดแล้ว จิตใจของคนเรายังถูกจำกัดให้รู้อะไรแคบๆหรือรู้อะไรอย่างผิดๆด้วยอานาจของตัณหาอุปาทานและวิชาที่มีอยู่ในสันดานอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยากมากเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมต่างๆโดยวิธีเข้าสมาธิและเจริญวิปัสสนา ความรู้ต่างๆที่มาจากภายนอกเข้าไปบิดเบือนหรือเข้าไปรบกวนไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสามารถเข้าสมาธิได้ลึกมากจนกระทั่งตัดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้โดยเด็ดขาดและทรงสามารถที่จะปัดความนึกคิดทุกอย่างและอารมณ์ทุกอย่างออกไปได้หมดในใจมีแต่ความว่างและมีความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง เพราะเหตุที่พระองค์ทรงสามารถเข้าสมาธิได้อย่างนี้จึงมีความรู้ในสิ่งต่างๆมากมายเป็นความรู้ที่คนตาดีเห็นได้ไง่งายๆส่วนคนตาบอดไม่อาจที่จะเข้าใจได้เลยการแสวงหาความรู้ของคนในโลกส่วนมากพุ่งแต่จะแสวงหาโดยอาศัยการดูการฟังเป็นต้น คนเหล่านี้ไม่เคยรู้สึกกันว่าถ้าหากเราต้องการจะสแสวงหาความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งกันจริงๆแล้วต้องพยายามสแสวงหาความรู้จากภายในเพราะวิญญาณของคนเราแต่ละคนมีพืชแห่งสรพพันย์อยู่อยู่ในตัวของเราแล้วทุกคนผู้ที่ละความรักและความพอใจในอัตภาพลงได้บ้างนั้น ย่อมจะทำให้จิตสงบเข้าสมาธิง่ายและอิทธิพลของความรู้ที่มาจากภายนอกซึ่งคอยจะครอบงมจิตใจและบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นก็จะลดน้อยลงด้วยเหตุนี้ในเมื่อสามารถทำใจให้สงบได้และมันนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า บ, าบา่อยในไม่ช้าก็จะเริ่มมีแสงสว่าง คือจะเข้าใจและเห็นด้วยกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นท่านจะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายแบบนี้เลยก็ได้เพราะชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในรูปไหนจะเลวหรือประณีตอย่างไรทุกชีวิตย่อมเกิดมาจากวิบากของกรรมทั้งสิน้น และวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้มันตายได้ในเมื่อวิญญาณยังอยากที่จะมีชีวิตมันก็จะมีอยู่ตลอดไปความจริงอย่างนี้ทุกคนควรจะมองเห็นและความจริงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากตามความรู้สึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกว่า เรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายๆมันเหมือนกับเมื่อเราตื่นอยู่เราย่อมมองไม่เห็นชีวิตในความฝันแต่พอเรานอนหลับเราก็จะพบชีวิตในความฝันความฝันกับชีวิตที่กำลังตื่นอยู่มีความสัมพันธ์กันเพราะใครจะฝันดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับการกระทาในขณะที่กำลังตื่นอยู่ ทุกคนรู้อยู่ว่าความฝันมีจริงไม่มีใครสงสัยว่าเมื่อตัวเองนอนแล้วจะไม่ฝันนอกจากบางครั้งตื่นขึ้นมาแล้วจะจำไม่ได้เท่านั้นถ้าท่านพยายามใช้ความสังเกตให้ดีท่านก็จะพบว่าวิญญาณไม่มีการดับศูนย์ซึ่งหมายความว่าแม้มันจะดับอยู่เสมอก็ตาม แต่มันก็เกิดอยู่เสมอดับแล้วเกิดเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อวิญญาณเกิดมันก็สร้างนามารูปขึ้นมาทุกครั้งในทํานองเดียวกันเมื่อชีวิตนี้ดับวิญญาณก็จะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่แม้ชีวิตที่เกิดมาใหม่นั้นวันหนึ่งจะต้องดับก็ตามแต่แล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีก ถ้าท่านไม่หลงรักหรือยึดมั่นในกายเนื้ออันนี้มากเกินไปหรือถ้าหากในบางครั้งท่านจะเกิดความรู้สึกอย่างจริงใจขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นของสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกสิ่งที่น่าเกลียดต่างๆร่างกายอันนี้ก็คือซากศพที่ยังเคลื่อนไหวได้สมมติว่าท่านรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆ ในขณะที่กำลารู้สึกอย่างนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ฉันทราคะในร่างกายจางลงไปมากในตอนนี้แหละท่านลองนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันวิญญาณเป็นผู้ที่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเพราะทุกอย่างในร่างกายมีความหมาย เมื่อท่านนึกและพิจารณาเช่นนี้ไม่กี่ครั้งท่านก็จะเกิดความสว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุหรือความรู้เก่าแก่อันใดก็ตามที่ทำให้เราเข้าใจผิดซึ่งคอยแต่จะทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็สูนชีวิตหลังจากตายไม่มีความเข้าใจผิดในทํานองนี้ จะเข้าครอบงำไม่ได้ในขณะที่ฉันทราคาได้จางลงเาพเจ้าเคยพบคนที่มีอายุมากมาหลายคนแล้วคนเหล่านี้เป็นคนมีการศึกษาสูงในสมัยยังหนุ่มเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองถือตัวสูงมากและเชื่อมั่นในความคิดของตัวไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องบุญและบาป แต่พอแก่มากขึ้นมีเรื่องต้องผิดหวังบ่อยๆความประมาทมัวเมาได้สางลงแล้วในตอนนี้เขาหันกลับมาเชื่อในเรื่องบุญและบาปหันเข้าหาวัดเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าคนประเภทนี้ขขาจ้าพบมามากต่อมากและข้าพเจ้าก็อ่านออกว่าทําไมเขาจึงกลับใจได้เช่นนี้ ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเลยเพราะฉันราคะในอัตภาพของเขาได้จางลงมากนั่นเองขอให้ท่านผู้อ่านได้โปรดนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งใครจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรม ที่พระตถาคตแสดงไว้ดีแล้วคำตอบก็คือผู้ทีละฉันทราคะแน่จภาพนี้ได้จักรู้แจ้งในปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและการเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองตลอดถึงการเข้าใจชีวิตในสากลจักรวาล น, นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยาก มันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาแต่แล้วคนทั้งโลกกลับเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ายากเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องตัวของตัวเองถ้าท่านเข้าใจเรื่องชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจริงๆก็จะนึกถึงเรื่องงูและลองพูดกับงูขอร้องให้มันเลิกกินสัตว์ที่มีชีวิตท่านก็จะรู้สึกว่า เราไม่มีทางที่จะพูดกับงูให้รู้เรื่องได้ทั้งๆ ท, ที่เราแน่ใจเหลือเกินว่าการเป็นคนดีกว่าการเป็นงูมากมายเราเข้าใจเรื่องของงูเข้าใจเรื่องของคนดีทั้งสองอย่างแต่งูซึ่งก็อยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์มันเคยเห็นมนุษย์แต่มันจะรู้เรื่องว่ามนุษย์คืออะไรเขาอยู่กันอย่างไร มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรงูไม่อาจจะรู้ได้เลยท่านสังเวทงูหรือเปล่าที่มันโง่ดักดานและมองไม่เห็นทางว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของมันได้อย่างไรแต่งูมันไม่รู้อะไรมันไม่สนใจอะไรมันไม่คิดถึงเรื่องของคนอื่นหรือชีวิตสัตว์อื่นมันสนใจอยู่แต่เพียงว่ามันจะอยู่อย่างไร จะกินอย่างไรถ้ามันได้กินอิ่มมีที่อยู่สบายไม่มีอะไรมารบกวนมันก็พอใจในความเป็นงูของมันท่านเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าเราเองก็คืองูซึ่งไม่ค่อยจะสนใจอะไรกับชีวิตอื่นๆไม่สนใจชีวิตหลังจากตายไม่สนใจเรื่องสากลจักรวาลถ้าเรากินอิ่มนอนหลับอยู่สบาย มีสิ่งที่ต้องการครบทุกอย่างเราก็พอใจในความเป็นมนุษย์ไม่คิดดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต่อไปอีกเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่กับซากศพจะไปไหนมาไหนก็หิ้วซากศพอันนี้ไปด้วยและภายในซากศพอันนี้ก็เต็มไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสารพัดที่มันจะเกิดขึ้น เราต้องทนทุกทรมานลำบากอยู่กับซากศพอันนี้มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ความรู้สึกอย่างนี้น้อยคนนักที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะเรามองไม่เห็นและไม่รู้สึกเลยแม้แต่น้อยว่ารอบๆตัวเรานี่เองก็มีชีวิตอื่นที่ตาเรามองไม่เห็นเป็นชีวิตที่มีความสุขมีอิสระ ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่การทำมาหากินการศึกษาและการเจ็บป่วยเหมือนกับเราซึ่งชีวิตพวกนี้มีมากมายเหลือเกินและชีวิตที่ว่านี้ก็อยู่ในโลกเดียวกับเราเขาพบเห็นเราอยู่เสมอเขารู้เรื่องของเราดีแต่เราไม่รู้เรื่องของเขาเลยทั้งๆ ท, ที่เรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่อง ง, ง่าย เหมือนกับเมื่อเรานอนหลับเราก็จะเห็นชีวิตในความฝันทุกคนจำเจ อ, อยู่กับความฝันซ้ำซ้ำซากซากเป็นเวลานา น, านมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครเฉลียวใจว่าชีวิตในความฝันสอนให้เรารู้เรื่องอะไรบ้างเราทั้งหลายไม่มีวี่แววกันเสเลยทั้งนี้เพราะอะไร เขาได้โปรดนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งใครจักรู้แจ้งซึ่งยมมะโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกคําตอบก็คือผู้ละฉันทราคะแน่ัตภาพนี้ได้ท่านสว่างแล้วหรือยังว่าความหยิงในตัวเองความยึดมั่นในตัวเองความรักความเป็นห่วงตัวเอง ความยึดถือตัวกูของกูสิ่งเหล่านี้มันเป็นความมืดบอดและเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่ครอบงํามนุษยชาติทั่วโลกเสียงครวญครางเสียงหวยหวนจากมนุษย์ผู้ได้รับความทุกข์ยากต่างๆดังอยู่ตลอดเวลาทั่วทุกขนทุกแห่งความทุกข์ต่างๆที่ครอบงําสัตว์โลกไว้ใหญ่หลวง ยากที่มนุษย์ทั้งหลายจะเอาชนะมันได้เพราะอะไรคอยท่านพิจารณาดูหลักการศึกษาของชาติต่างๆในโลกนี้ว่ามีแนวการสอนกันอย่างไรใกล้เคียงกับแนวการสอนของพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่นักปราชทั้งหลายในโลกซึ่งต่างก็ยกย่องกันมีมากมายแต่แล้วเขาเหล่านี้ แก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จหรือไม่ความยากจนการเอารัดเอาเปรียบการเวียดเวียนกันต่างๆในสังคมและการทุจริตต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานมาแล้วยังไม่มีรัฐบาลไหนซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทยข้าพเจ้าหมายถึงทั่วโลกยังไม่สามารถเอาชนะมันได้ ไม่เหมือนกับในวงการแพทย์ซึ่งเขาสามารถที่จะปราบโรคร้ายต่างๆให้สงบราบคาบได้หลายต่อหลายอย่างเช่นอหฮีวาสมัยก่อนเมื่อโรคนี้ระบาดคนตายกันมากเอาชนะไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ในวงการแพทย์เขารู้เรื่องนี้ดีเรียกได้ว่ารู้แจ้งแทงตลอดทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงสามารถพิชิตมันได้แต่ในวงการศึกษามีใครบ้างที่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากและความชั่วร้ายต่างๆดังที่กล่าวมานั้นได้ใครจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งย ม, มโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรม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 ที่สองทำอย่างไรจึงจะเป็นคนใจเย็นได้เสมอโดยปกติข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อนจะทำอะไรหรือจะเอาอะไรจะต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นรอไม่ค่อยได้และเมื่อไม่ได้อย่างใจก็มักโกรธหรือไม่ก็กลุ้มใจข้าพเจ้าเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้มานานแล้วแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นิสัยนี้ก็ยังไม่หาย เป็นแต่ดีกว่าเมื่อก่อนคือยังรู้จักยับยั้งและใจเย็นมากกว่าจะ ก, ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในตัวของข้าพเจ้าเองและจากของคนอื่นด้วยทั้งนี้ก็เพื่อหาทางที่จะแก้นิสัยอันนี้แล้วที่ที่เขียนลงว้นี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าตัวเองเคยใช้ได้ผล เพราะฉะนั้นจึงเขียนมาเล่าสู่กันฟังโดยธรรมดาคนใจร้อนมักจะมีปมเรื่องอยู่ในตัวเองสูงและมีนิสัยค่อนข้างจะโอ้อวดปมเรื่องเกิดขึ้นก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถเป็นพิเศษบางอย่างแต่อีกหลายอย่างไม่มีและไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นว่าตนเองไม่เก่งในเรื่องอย่างนั้น และรู้สึกไม่สบายใจด้วยที่ตนเองด้อยในเรื่องเหล่านั้นฉะนั้นจึงพยายามหาทางลดปมด้อยด้วยการอวดตัวหรือด้วยการแสดงปมเครืองซึ่งเรื่องทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นเพราะหลงผิดในเรื่องตัวเองในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้ที่บายเรื่องผู้ที่รู้แจ้งตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ผู้ที่จะรู้แจ้งในตัวเองนั้นอย่างน้อยจะต้องเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าผู้ทุชนทั่วไปไม่รู้แจ้งในตัวเองข้อที่น่าคิดจากเรื่องนี้ก็คือผู้ที่รู้แจ้งในตัวเองย่อมละสักกายะทิฏฐิคือความเข้าใจผิดที่เห็นว่าเบนจะขันเป็นตัวเราหรือของของเราได้ และอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องตัวเองย่อมละฉันทราคะในอัตภาพนี้ได้จากหลักเหล่านี้แหละที่จะทําให้เราได้หลักในการทําให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นอันหนึง่งผู้ที่เป็นภระญาบุคคลทุกองค์ย่อมได้ประสบกับความสงบอันแจม่มใสและเยือกเย็นอย่างยิ่งภายในจิตใจของตัวเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระริยะบุคคลทุกองค์เมื่อได้พบกับความสงบอันนี้แล้วย่อมกล่าวคําอุทานออกมาว่าที่นี่สงบที่นี่ประณีตณนะที่นี้เองเป็นที่สางความเมาเป็นที่กําจัดความกระหายเป็นที่ถอนความอาลัยเป็นที่ตัดวัฏ ต, ตะเป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่นายราคะเป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข์ภาวะอันนี้คือนิพพานพระอริยะบุคคลทุกองค์ย่อมได้พบกับความสงบดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นคนใจเย็นอย่างยิ่งและความสงบที่ว่านี้ทุกคนจะพบได้ทันทีถ้าหากละสักกายาทิฏฐิได้จริงๆ ซึ่งหมายความว่าถ้าคนใดละความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตนเองได้อย่างเด็ดขาดผู้นั้นก็ย่อมเป็นคนใจเย็นได้ตลอดไปข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่ใจร้อนก็คือคนที่หลงตัวเองไม่เข้าใจตัวเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงหรือผู้อีกนายหนึ่งเป็นเพราะมีความหยิ่งในตัวเองมาก จึงได้กลายเป็นคนใจร้อนความหลงผิดในตัวเองความหยิ่งในตัวเองนี่คือสาเหตุที่แท้จริงของความเป็นคนใจร้อนถ้าแก้กิเลสสองตัวนี้ได้ความใจร้อนก็ยอมจะค่อยๆหมดไปจนกระทั่งในที่สุดจะดับหมดไม่มีเหลือการหลงตัวเองเป็นเรื่องที่ร้ายกาจมาก พราะไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความใจร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทุกอย่างอีกด้วยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าตัวเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่เราส่วนมากเข้าไม่ถึงและบางคนทั้งที่ศึกษาเรื่องนี้เข้าใจแต่พอถึงเวลาที่จะใช้ทําข้อนี้จริงๆ ก็มักเจ้าไปใช้ไม่ถูกเอาไปใช้ไม่ได้ผลและด้วยเหตุนี้เองเข้าพเจ้าจึงใคร่จะแนะนำถึงเรื่องนี้จากหลักวิชาที่เรียนมาและจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก่อนอื่นท่านต้องพยายามรู้จักตัวเองเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกกันว่าตัวเราหรือของของเราอยู่เสมอนาน ก็คือเบญจขันหรือนามรูปแต่เบญจขันหรือนามารูปนี้เมื่อพิจารณากันให้ละเอียดแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเรื่องของของเราจริงๆข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านซึ่งในคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ถ้าเข้าใจหัวข้อปฏิจจสมบทบาทอันนี้ลึกซึ้งก็จะเป็นการง่ายมากที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเบนจะขานเรื่อนา ม, มารูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราสามารถเข้าใจได้ว่าความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีความคิดก็มีไม่ได้ ถ้าหากพิจารณาบทนี้บ่อยๆจงกระทั่งรู้ซึงว่าวิบากไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้วิบากเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้เปลี่ยนแปลงได้และความคิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือชั่วทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากวิบากของมันทั้งสิ้นถ้าวิบากในเรื่องไหนไม่มี ความนึกคิดในเรื่องนั้นย่อมมีไม่ได้ถ้าหากพิจารณาอย่างนี้บ่อยในที่สุดก็จะทำให้เรารู้สึกว่าความคิดทุกอย่างที่กำลังเกิดอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆซึ่งถ้าหากผู้ใดรู้สึกได้ทันทีในขณะที่ความคิดทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นอันรับรองได้ว่าใจจะต้องเย็นแน่ คนที่ใจร้อนก็เพราะเชื่อความคิดที่กำลังเสนอแนะอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าความคิดที่เสนอแนะนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยที่มันเกิดขึ้นก็เพราะวิบากของมันมีถ้าวิบากของมันไม่มีความคิดที่ว่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ความซึ้งในจุดนี้แหละ ที่จะสร้างนิสัยใจเย็นให้เกิดขึ้นทีละน้อยขอให้นึกถึงหลักที่ว่าพระริยาบุคคลทุกองค์เป็นคนใจเย็นที่ใจเย็นก็เพราะได้พบกับความสงบที่เยือกเย็นและจำใสที่สุดความสงบที่ว่านี้ทุกคนจะพบได้ทันทีถ้าหากละศักกายทิฏฐิหรือละชันทราคะใแน่ตภาพนี้ได้ อันหนึ่งท่านควรจะทราบไว้ด้วยว่าคนที่มีนิสัยใจร้อนเป็นเพราะหัดตามใจตัวเองจนเคยตัวเวลาจะทําอะไรหรือต้องการอะไรไม่ค่อยจะนึกถึงเหตุผลว่ามันควรจะได้เดี๋ยวนั้นหรือว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องรอเพราะเหตุที่หัดตามใจตัวเองมาจงเคยชินซึ่งมาพูดอีกนายหนึ่งก็คือ เพราะได้สร้างวิบากแหงความใจร้อนมามากคนที่มีวิบากอย่างนี้โดยธรรมดาก็มักจะได้รับโทษอยู่เป็นประจำกล่าวคือเกิดความหงุดหงิดเกิดความกลุ่มใจหรือเกิดความไม่สบายใจอยู่เสมอการปล่อยให้ความกลุ่มใจเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นจะหมายความถึงว่าเราได้สร้างวิบากแหงความทุกเหล่านี้ลงในสันดาน ซึ่งวิบากที่ว่านี้มีผลร้ายกาจมากเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจทีละน้อยนั้นก็คือยาพิษทางใจนั่นเองซึ่งเมื่อเกิดบ่อยๆก็เท่ากับเป็นการสะสมยาพิษไว้ในสันดานความทุกข์ที่ว่านี้เป็นอันตรายต่อสมองต่อระบบประสาทมากการที่คนบางคนสมองเสื่อมเร็วหรือกลายเป็นโรคประสาทง่าย ก็มักจะเนื่องมาจากเหตุนี้เสมอเข้าพเจ้าคิดว่าการที่เราจะแก้นี้สัยอันนี้ได้นานก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักโทษของมันอย่างลึกซึ้งคนที่ดื่มเหล้ามานานจนกระทั่งในที่สุดหมอบอกว่าตับเริ่มจะแข็งแล้วเข้าพเจ้าเห็นมาหลายรายแล้วให้ติดอย่างไรก็เลือกได้ เพราะเขาได้มองเห็นความตายรออยู่เบื้องหน้าเขาได้รู้จักโทษของมันอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงเลิกได้คนที่มีนิสัยใจร้อนก็เหมือนกันการที่คนเหล่านี้ยังไม่ยอมเลิกนิสัยอันนี้สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะยังไม่ซึ้งในโทษของมันอีกประการหนึ่งเนื่องจากตนเองยังมีคนคอยเอาอกเอาใจอยู่เสมอ แต่เมื่อใดคนเอาใจไม่ค่อยมีหรือได้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากความใจร้อนแล้วก็มักจะเลือกได้เสมอแต่อย่างไรก็ดีเราไม่ควรจะรอให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเสียก่อนเพราะมันเป็นการเสี่ยงอะไรหลายอย่างถ้าหากในขณะนี้เราเริ่มรู้สึกเห็นโทษของมันขึ้นมาบ้าง แม้จะไม่แจ่มแจ้งนักก็ควรจะพยายามเลือกแต่โดยมากคนทั่วไปตราบใดที่ยังมองไม่เห็นโทษอย่างแจ่มแจ้งและยังไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเลือกก็มัจะเลือกนิสัยอันนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะหัดพิจารณาบ่อยๆว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เขาจะหวังผลให้เร็วไปกว่าเหตุของมันที่จะอำนวยให้ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราปลูกต้นไม้แม้จะพยายามเร่งสักเท่าไหร่ต้นไม้ก็ย่อมจะผลิดดอกออกผลตามกําหนดเวลาของมันอยู่นั่นเองแต่อันที่จริงคนที่ใจร้อนทุกคนส่วนมากก็มักจะทราบความจริงข้อนี้ดีแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ สาเหตุที่เลิกไม่ได้นั้นเป็นเพราะเขาไม่ยอมสร้างวิบากแห่งความใจเย็นจุดนี้แหละคือจุดที่สำคัญที่สุดคนที่อยากจะอ่านหนังสือออกแต่ไม่ยอมหันอ่านหนังสือก็ยังไม่มีทางที่จะอ่านหนังสือได้คนที่ต้องการจะฝึกให้เป็นคนใจเย็นเหมือนกันการรู้จักทุบทองความใจร้อนอย่างเดียวไม่พอ หรือแม้จะมีความตั้งใจที่จะเลิอกอย่างแท้จริงก็ตามเพียงเท่านี้ยังไม่พอหลักสำคัญมีอยู่ข้อเดียวคือเราจะต้องสร้างวิบากแห่งความใจเย็นซึ่งเมื่อพูดอีกนายหนึ่งก็คือเราต้องตักน้ำไว้ให้พอให้มากกว่าปริมาณของไฟพอไฟเกิดก็พร้อมที่จะศาสน้ำให้ไฟดับได้ทันที แต่ถ้าน้ำน้อยไฟมีมากกว่าก็ยังไม่อาจที่จะดับไฟได้การตักน้ำไว้ให้พอคือการสร้างวิบากแห่งความใจเย็นลงในสันดานน้นเป็นสิ่งสำคัญมากอันที่จริงความใจเย็นที่มั่นคงถาวรมีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราทุกคนขอให้นึกถึงหลักที่กล่าวมาแล้วว่า พระอริยะบุคคลที่เป็นคนใจเย็นที่สุดก็เพราะท่านได้พบกับความสงบที่ประเนีตซึ่งความสงบที่ว่านี้ทุกคนจะพบได้ทันทีถ้าหากละสักกายะทิฏฐีและฉันทราคะในอัตภาพนี้ได้แต่หลักที่กล่าวมานี้เป็นหลักที่สูงมากคนทั่วไปยากที่จะเข้าถึงได้ เพราะฉะนา้นข้าพเจ้าจะยังไม่พูดถึงจะพูดถึงแต่หลักง่ายๆอันเป็นหลักเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ภาวะอันนั้นก่อนข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากท่านพยายามหมั่นนึกอยู่เสมอว่าความนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะมันเกิดมาจากวิบากของมัน ถวิบากของมันไม่มีความคิดที่ว่านี้ย่อมมีไม่ได้หลักนี้คือหลักที่สำคัญที่สุดวิธีปฏิบัติก็คือเราจะต้องคอยพิจารณาถึงสาเหตุของมันว่าความคิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรพยายามแยกปัจจัยต่างๆออกพิจารณาทีละอยา่างจนกว่าเราจะรู้แจ้งว่า ความคิดที่จะทำให้เกิดความใจร้อนนี้เกิดเพราะเหตุอะไรถ้าหากเราเข้าใจเหตุของมันอย่างแจ่มแจ้งการปล่อยวางความคิดจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยธรรมดาความใจร้อนเกิดขึ้นก็เพราะเชื่อความคิดที่กำลังเสนอแนะ่อยู่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจซึ่งว่า ความคิดที่กำลังเสนอนะอยู่นี้หรือความต้องการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุของมันซึ่งเหตุที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราการซึ่งในความจริงอันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นท่านจะต้องพยายามหัดตัวเอง ให้เป็นคนมีนิสัยรู้จักแยกแยะความคิดต่างๆของตนเองออกพิจารณาบ่อยๆจนกว่าจะซึ้งว่าความคิดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราและอีกประการหนึ่งอย่าลืมว่าการฝึกสมาธิทุกวันอย่างน้อยเวลาหล้านาทีหรือสิบนาทีก็เป็นสิ่งจำเป็นจะไม่ทำไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทําวิบากเหงความใจเย็นจะเกิดขึ้นได้ยากมากการทําสมาธิทุกวันเปรียบเหมือนกับการรับประทานยาซึ่งโดยปกติต้องรับประทานทุกวันอย่างน้อยก็วันละครั้งแต่โดยปกติหมอมักจะให้รับประทานวันละสามครั้งและจะต้องรับประทานไปจนกว่าโรคจะหาย การเข้าสมาธิก in ็เหมือนกันจะต้องทำไปเรื่อยๆจะหยุดบ้างทำบ้างตามอารมณ์ไม่ได้การสร้างวิบาแหงความใจเย็นนั้นไม่ใช่ของง่ายและจะต้องสร้างให้ท่วมทนนิสัยใจร้อนจึงจะแก้นิสัยใจร้อนได้เหตุไรข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าต้องนั่งสมาธิทุกๆวัน การที่ข้าพเจ้าต้องยืนยันเช่นนี้ก็เพราะในเวลาฝึกสมาธิเท่านั้นที่เราจะได้วิบากของความใจเย็นมากกว่าการหัดอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ดีการฝึกสมาธิเพื่อที่จะหัดให้เป็นคนใจเย็นก็มีเทคนิคของมันโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เข้าใจเทคนิคย่อมจะฝึกไม่ได้ผล เทคนิคของการฝึกสมาธิเพื่อให้เป็นคนใจเย็นก็คือก่อนอื่นต้องพยายามบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจให้ได้พอสมควรก่อนหลังจากนี้ท่านจะต้องเอาความคิดที่เกิดขึ้นในขณะใจร้อนมาพิจารณาดูในขณะที่ใจสงบและการที่จะให้ใจเย็นจริงๆทุกครั้งที่ท่านเกิดความใจร้อนขึ้นมา ท่านจะต้องรีบบันทึกความคิดในขณะนี้เก็บไว้และอย่าลืมที่จะอ่านทบทวนจนกระทั่งแน่ใจว่าบันทึกได้ตรงตามความนึกคิดในขณะนั้นจริงๆก่อนจะนั่งสมาธิท่านจะต้องเอาข้อความที่บันทึกไว้นี้มาอ่านหลายๆเที่ยวจนกระทั่งจำข้อความนี้ได้ดีครั้นแล้วก็จงปล่อยไว้ก่อน พยายามทําใจให้สงบบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมออย่างน้อยๆประมาณสักห้านาทีเมื่อจิตสงบอยู่กับลมหายใจได้แล้วต่อจากนี้ก็จะนึกถึงข้อความที่บันทึกเอาไว้นั้นนึกช้าๆไปทีละคำและนึกหลายๆเที่ยวพยายามบังคับจิตให้อยู่ในถ้อยคําอันนั้นทั้งหมด อย่าให้ฟุ้งซ่านได้ให้พยายามนึกอย่างนั้นหลายหลาเที่ยวจนกว่าท่านจะมองเห็นว่าในความคิดเหล่านี้มีความเข้าใจผิดอะไรแทรกอยู่บ้างการจับความเข้าใจผิดได้หรือพูดอีกในหนึ่งคือการมองเห็นตัววิชาที่แทรกอยู่ในความคิดเหล่านี้ได้อันนี้คือตัวยาสำคัญ ที่จะทำให้ความนึกคิดอันนี้เป็นโมฆะในภายหลังหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดความใจร้อนเพราะความคิดอย่างนี้แต่ต่อมาพอความคิดอันนี้จะเกิดก็จะรู้สึกตัวเสียก่อนว่าความคิดอันนี้ใช่ไม่ได้แล้วครั้นแล้วความใจร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ความใจเย็นจะเกิดขึ้นมาแทนที่ และถ้าหากความใจเย็นอันนี้เกิดบ่อยๆก็หมายถึงว่าวิบากของความใจเย็นกาลังจริญเติบโตอยู่ภายในซึ่งถ้าวิบากแห่งความใจเย็นมีมากพอแล้วความใจร้อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวิบากแห่งความใจเย็นที่สะสมเอาไว้อย่างมากนี้ มันจะทาหน้าที่ควบคุมความนึกคิดให้เยือกเย็นโดยอัตโนมัติซึ่งผลที่ว่านี้ไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแต่จะสืบเนื่องไปถึงชาติหน้าทุกๆชาติอีกด้วยอันหนึ่งท่านควรจะทราบไว้ด้วยว่าในขณะที่จิตใจเราสงบเป็นสมาธิอยู่นั้นให้พยายามสังเกตไว้ด้วยว่า มักจะมีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจเสมอปีติและสุขที่เกิดขึ้นในใจนั้นเมื่อเกิดขึ้นในจิตสํานึกแล้วก็ยังจะมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานอีก ด, ด้วยคนที่สะสมวิบากแห่งปีติและสุขอยู่เสมอนานก็จะเป็นเหมือนอย่างเราคว้างท่อนฟืนซึ่งมีไฟลุกโถงอยู่ลงไปในน้ํา ทันทีที่เปลวไฟกระทบกับพื้นน้ำมันก็จะดับทันทีไปโดยลําดับข้อนี้ฉันใดคนที่สะสมวิบากแห่งปีเติและสุขเอาไว้มากไฟกล่าวคือกิเลสที่ยังมีอยู่ในสันดานนั้นพอกระทบกับอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดกิเลสเพราะเหตุที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่ไฟกล่าวคือกิเลส มันก็จะลุกโคลงขึ้นมาทันทีแต่เพราะเหตุที่ในสันดานมีวิบากของปีติและสุขอยู่มากไฟที่ลุกโคลงขึ้นมานี้จะอยู่ได้ไม่นานพรามันเกิดขึ้นยังไม่ทันจะลุกลามไปไหนมันก็จะดับเสียก่อนและบางอย่างถ้าหากการยั่วไม่รุนแรงไฟก็จะไม่ลุกโคลงขึ้นมาเลย อันนี้เป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีและอีกประการหนึ่งก็คือคนที่เข้าสมาธิได้ย่อมหมายถึงการทำให้มีสติอยู่กับตัวได้และเมื่อหัดบ่อยๆก็จะมีความเคยชินเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าวิบากของสติก็จะเกิดขึ้นในสันดานมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ การวู่วามก็จะมีไม่ได้หรือถ้ามีก็ระงับได้เร็วมากด้วยเหตุนี้การฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความใจเย็นเราจะฝึกแต่เพียงให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือให้อยู่กับคําภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้อยู่กับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าทําเพียงแค่นี้นิสัยใจร้อนก็จะไม่มีวันหายเพราะยังไม่ได้แก้ให้ถูกจุดต่อเมื่อนําความคิดที่เกิดขึ้นในขณะใจร้อนมาพิจารณาทุกๆครั้งในขณะที่ใจเป็นสมาธิต้องทําอย่างนี้จึงจะแก้นิสัยใจร้อนได้แต่ถึงกระนั้น ก็อย่าลืมว่าการแก้ทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ยังไม่ใช่เป็นการแก้ที่จะได้ผลโดยเด็ดขาดต่อเมื่อใดเกิดความซึ้งขึ้นมาว่าความคิดทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราความคิดทุกอย่างเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีความคิดที่ว่านี้ก็มีไม่ได้ และวิบากทุกอย่างก็ไม่ใช่เนื้อแท้ไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังวิบากเกิดขึ้นก็เพราะกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือทั้งวิบากและความคิดที่เกิดมาจากวิบากจึงไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของของเราถ้าหากซึ่งในความจริงเหล่านี้อย่างถึงที่สุดแล้ว จะทำให้มองเห็นถึงความว่างความไม่มีตัวตนและเมื่อได้พบกับความว่างอันนี้แล้วก็จะได้พบกับความสงบอันประนีตด้วยการเข้าถึงความสงบอันประณีตเท่านั้นนิสัยใจร้อนทุกอย่างจึงจะหายได้โดยเด็ดขาด ค ใ, ใจร้อนก็คือคนที่หลงในความคิดของตัวเชื่อความคิดที่กำลังเสนอนะอยู่ในขณะนั้นผู้ที่อ่านความคิดของตนเองได้ตลอดหรือรู้เท่าทันความคิดของตัวจะเป็นคนใจเย็นได้แต่อย่างไรก็ดีคนที่ใจร้อนนั้นสาเหตุสำคัญอยู่ที่เขาได้สะสมีิบากของความใจร้อนเข้าไว้ในสันดานมาก และคนเราย่อมคิดได้เพียงแค่สันดานของตัวจะพูดหรือจะทำอะไรย่อมเป็นไปตามสันดานสันดานก็คือวิบากของกรรมที่สะสมเอาไว้ฉะนั้นถ้าหากยังแก้วิบากของความใจร้อนไม่ได้ก็จะเป็นคนใจเย็นไม่ได้คนที่ปลูกต้นไม้แล้วไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ จึงจะมีดอกและมีลูกเพราะความไม่รู้เมื่อปลูกลงไปแล้วก็อยากจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วๆมีดอกและมีลูกเร็วๆแต่เขาจะเร่งอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ต้นไม้มีดอกและออกลูกก่อนถึงเวลาของมันได้จากตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นความจริงได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งว่า คนที่มีนิสัยใจร้อนคือต้องการอะไรจะต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นคนประเภทนี้มักจะนึกถึงแต่ความต้องการของตัวเอาความต้องการของตัวเป็นหลักแต่เขาไม่ได้นึกถึงความจริงที่ว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามปัจจัยของมันเหตุการณ์บางอย่างถ้าเรารู้แน่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเวลานี้แล้ว จึงจะมีผลตามความต้องการโดยมากก็มะจะรอกันได้แต่ถ้าไม่รู้และอยากได้มากเกินไปใจย่อมเร่าร้อนคิดแต่จะเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นซึ่งความเป็นจริงทุกอย่างในโลกนี้จะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นวิธีแก้นิสัยใจร้อนอย่างหนึ่งก็คือ จงพยายามศึกษาเหตุการณ์ที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องให้รู้แจ้งแทงตลอดว่ามันมีเหตุผลอย่างไรจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะมีผลออกมาพระโพธิสัตว์คือบุคคลที่ในชาติสุดท้ายจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกองค์ได้รู้ตัวล่วงหน้ามานานแล้ว ตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคือรู้ว่าจะต้องสร้างบารมีนานมากกว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความอย่างรู้อันนี้ได้มีอยู่ในสันดานเป็นประจำเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์จริงๆโดยปกติจะต้องเป็นคนใจเย็นมีความคิดสุ ข, ขุม สามารถที่จะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความขยันไม่เบื่อทำไปได้ตลอด ท, ทั้งทั้งที่มองเห็นว่าในชาตินี้การที่ทำอยู่นั้นจะไม่เกิดผลตามความต้องการทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีผลอย่างแน่นอนในอนาคตไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง และท่านรู้ความจริงซึ้งอีกอย่างหนึ่งว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างต้องใช้เวลานานต้องค่อยๆสร้างบารมีไปทุกๆชาติจะหยุดอยู่ไม่ได้แต่ก็ทำไปอย่างสบายเหมือนกับชาวนาผู้ฉลาดเมื่อหวานข้าวกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องน้า และในเรื่องอันตรายของต้นข้าวซึ่งถ้านาดีน้ำบริบูรณ์ศัตรูของพืชไม่มีชาวนาก็มีเวลาว่างมากกว่าต้นข้าวจะออกรวงและเก็บเกี่ยวได้ชาวนาที่ฉลาดเขาจะไม่มามมวกลุ้มใจว่าเมื่อไรข้าวจึงจะออกรวงสักทีเพราะเขารู้อยู่ว่าโดยธรรมดา ต้นข้าวที่ปลูกลงไปแล้วจะต้องใช้เวลานา น, นเท่าไหร่จึงจะออกรวงเพราะเขารู้ความจริงข้อนี้แจ่มแจ้งเขาจึงไม่ใจร้อนและพร้อมกันนั้นในระหว่างที่รอคอยก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จะต้องขนขวายทำงานอื่นข้อดีฉันใดคนที่คิดจะทำความดี หรือจะปลอบกิจาการงานอะไรก็ตามอย่าลืมว่าจะต้องพยายามศึกษางานอันนั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและจะต้องรู้จักรอคอยในเมื่อผลที่ต้องการยังมาไม่ถึงและในระหว่างที่รอคอยอยู่นั้นอย่ามัวไปคิดถึงแต่ผลงานที่จะได้แต่ให้ขนขวายทำงานอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ โดยวิธีนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะหัดให้เป็นคนใจเย็นได้แต่อย่างไรก็ดีคนที่หัดตามใจตัวเองมาจงเคยตัวและมีปมเขื่องอยู่ในตัวเองมากสะสมวิบากเห็นความใจร้อนไม่มากบุคคลประเภทนี้แม้จะรู้อยู่ว่าผลเข้า ง, งานที่จะถึงได้นั้นยังจะต้องรอคอยอีกนาน แม้ถึงกระนั้นเขาก็มักจะคอยไม่ได้เพราะสันดานของเขาไม่ยอมให้ทําเช่นนั้นคนที่ใจร้อนเกินไปเช่นในเรื่องความรักด่วนตัดสินใจง่ายหรือในบางครั้งทั้งที่ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าให้ถึงเวลานั้นเวลานี้เสียก่อนจึงค่อยแต่งงานกันแต่แล้วเพราะความใจร้อนก็รอไม่ได้ ในที่สุดความเสียหายหรือความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตัวอย่างในทํานองนี้มีมากเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีนิสัยใจร้อนทาไมหาทางแก้นิสัยใจร้อนก็จะติดไปทุกชาติและจะเดือดร้อนทุกชาติความใจร้อนที่เกิดจากการหัดตามใจตัวจงเคยชินและที่เกิดจากปมเคือง นิสัยใจร้อนแบบนี้เราไม่มีทางอื่นที่จะแก้นอกจากทางเดียวคือต้องหัดสมัยในสมัยก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีมาแล้วพระองเจ้าพีระเป็นนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกนักแข่งรถถ้าเรามองดูจากการที่เขาชอบขับรถเร็วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดว่า นักแข่งรถเป็นคนใจร้อนแต่ความเป็นจริงแล้วนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงของโลกทุกคนเป็นคนใจเย็นและเป็นคนใจเย็นที่สุดกว่าคนใจเย็นธรรมดาหลายเท่าไม่เช่นนั้นจะเป็นนักแข่งรถที่ดีไม่ได้พระองค์เจ้าพีระนอกจากจะมีชื่อในการแข่งรถแล้ว ยังมีชื่อในการปั้นรูปอยู่ด้วยการแข่งรถกับการปั้นรูปเมื่อมองดูอย่างผิวเผินก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ต้องใช้สมรรถภาพทางใจที่แตกต่างกันคืออย่างหนึ่งต้องการความใจร้อนแต่อีอย่างหนึ่งต้องการความใจเย็นแต่สาหรับผู้ที่มองดูอย่างลึกซึ้งทุกคนจะรู้ว่า การที่พระองค์เจ้าพีระปั้นรูปเก่งก็เพราะความเป็นคนใจเย็นอย่างยิ่งนั่นเองซึ่งความใจเย็นที่ว่านี้ได้นำชื่อเสียงในเรื่องการแข่งรถและการปั้นรูปมาให้และนอกจากนี้ในสมัยปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ายังทราบจากคำของท่านเองว่าท่านเป็นนักโบลิ่งที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะความใจเย็นและมีสมาธิดีในการเล่นนายทหารชั้นเสนาธิการหรือชั้นแม่ทัพทุกคนต้องเป็นคนใจเย็นทั้งสิน้นความใจเย็นมีผลต่อชีวิตประจําวันอย่างมากมายข้าพเจ้าคิดว่าคนที่หัวดีมีความคิดว่องไวเข้าใจอะไรได้รวดเร็วคนประเภทนี้ ถ้าหากชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุอันเดียวคือความเป็นคนใจร้อนและเกือบจะเป็นของธรรมดาคนหัวไวมักจะใจร้อนทําอะไรรวดเร็วจะเอาอะไรต้องให้ได้เดี๋ยวนั้นถ้าไม่ได้อย่างใจก็โกรธทั้งนี้ก็เพราะคนหัวไวเป็นคนมีปมเขื่องมากยิงในตัวเองมาก และมักจะถูกตามใจมากจนเคยตัวเนื่องจากความฉลาดที่แสดงออกในวัยเด็กทําให้ใครต่อใครเกิดความรักเกิดความเอ็นดูและไม่อยากจะขัดใจจะเอาอะไรก็หาให้นิสัยนี้ติดมาตั้งแต่เด็กคนหัววัยนี้เมื่อโตขึ้นมีการงานกว้างขวางขึ้นเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้น ความใจร้อนก็มักจะทรมานตัวเองอยู่เสมอเพราะปรารถนาสิ่งใดแล้วมักจะไม่ค่อยได้อย่างใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่หัดให้เป็นคนใจเย็นแล้วชีวิตก็มักจะต้องหกขมเมนหรือลมควม่งเหมือนกับรถที่วิ่งเร็วแต่พวงมาลัยไม่ดีห้ามล้อไม่ดีโปรดจำไว้ให้แม่นว่า คนที่ตามใจตัวเองมาจนเคยตัวและมีปมเขื่องอยู่ในตัวเองมากบุคคลประเภทนี้ทุกคนจะต้องเป็นคนใจร้อนและต้องหาทางแก้ไม่เช่นนั้นอันตรายต่างๆของชีวิตจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนและไม่ใช่ครั้งเดียวมันจะมีบ่อยๆจนกระทั่งนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่ยังไม่แก้นิสัยอันนี้ และอีกอย่างหนึง่งโปรดจาไว้ให้แม่นว่าคนที่ใจร้อนเป็นเพราะหลงในความคิดของตัวเชื่อถือความคิดทุกอย่างที่เสนอแน่ขึ้นมาโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบครอบว่าอันไหนควรได้อันไหนไม่ควรได้อันไหนถึงเวลาของมันอันไหนยังไม่ถึงเวลาของมันคนที่เดินตากแดดเดินบนถนนที่ร้อน แน่นอนย่อมไม่มีใครใจเย็นอยู่ได้เพราะความร้อนทั้งข้างบนและข้างล่างจะบังคับให้คนคนนั้นต้องรีบเดินไปเร็วๆ เ, เพื่อให้พ้นไปจากความร้อนที่แผดเผาอยู่คนใจร้อนก็คือคนที่ถูกความร้อนเผาเป็นความร้อนที่เกิดจากความหลงในตัวเองหรือความหยิงในตัวเอง และเกิดจากกิเลสประเภทราคะตัณหาหรือจะเกิดจากโทสะก็ได้มีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายใจเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะร้อนเพราะสว ก, กะปริเทวะ ทุกขะโทมานัตและอุปายาตข้อความที่กล่าวนี้อยู่ในอาทิตตปริยายสูตรพุทธพจน์ดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากพยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆจะทำให้เราได้ข้อคิดในอันที่จะหาทางทําใจให้เย็นขอให้นึกถึงคนที่เดินตากแดดและถนนก็ร้อนแล้วจานึกถึงคนที่ใจร้อน เพราะมีไฟคือกิเลสหรือความทุกข์ที่แผดเผาอยู่ภายในขอให้พยายามนึกถึงตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้บ่อยๆสักวันหนึ่งท่านก็จะรู้สึกซึ้งในโทษของกิเลสและคิดพยายามที่จะหาทางระงับซึ่งถ้าหากความคิดอันนี้เกิดขึ้นแล้วในเมช่ช้าท่านก็คงจะได้พบกับความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตใจ ซึ่งมีคุณค่าสูงยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นของธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือคนที่ใจร้อนเพราะยังเลิกนิสัยอันนี้ไม่ได้นั้นเป็นเพราะยังไม่ซึ้งในเรื่องโทษของการใจร้อนและเป็นเพราะยังอ่านใจตัวเองไม่ออกคนที่ซึ้งในโทษของความใจร้อนและอ่านใจตัวเองออก รู้เท่าทันความคิดของตัวบุคคลประเภทนี้หัดให้เป็นคนใจเย็นไม่ยากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นท่านต้องพยายามศึกษาจากตัวท่านเองให้ซึ้งในเรื่องโทษของความใจร้อนและพยายามอ่านใจของตัวเองให้ออกเสียก่อนวิธีฝึกหัดให้เป็นคนใจเย็นหลักใหญ่อยู่ที่การฝึกสมาธิ ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยแนะนำมาแล้วข้อสำคัญอย่าลืมว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะต้องพยายามรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องใจร้อนพยายามศึกษาจากตัวเองให้รู้ว่าในขณะที่ใจร้อนนั้นคิดอย่างไรซึ่งในเมื่อมองเห็นถึงความผิดพลาดหรือมองเห็นถึงความเข้าใจผิดที่แทรกอยู่ในความคิด ในขณะที่ใจร้อนนั้นอันนี้เป็นวิธีที่ประเสริฐที่จะช่วยเราให้รู้จักหาทางด้วยตัวเองในอันที่จะแก้ความใจร้อนและอย่าลืมว่าถ้าวิบาของความใจร้อนมีมากเราก็ต้องพยายามสร้างวิบาแห่งความใจเย็นให้มากจนกระทั่งมีปริมาณเหนือกว่าต้องทำให้ได้ถึงขนาดนี้ นิสัยใจร้อนที่จะหมดไปอันหนึ่งการทำอะไรตามใจตัวเองก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับที่จะแก้นิสัยใจร้อนเพราะความรู้สึกอันใดถ้าอัดเอาไว้มากไม่ระบายออกเสียบ้างมันจะทำให้เกิดความกดดันหรือบางทีก็ฝังรากลึกลงไปมาก ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากในการที่จะคลำหาปมของมันซึ่งถ้าหาปมของมันไม่พบการแก้ก็ย่อมไม่ได้ผลการแก้ไขความรู้สึกไม่ว่าในเรื่องอะไรเราจะต้องรู้ว่ามันก่อตัวขึ้นมาอย่างไรจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นปมที่สลับซับซ้อนเหมือนกลุ่มได้ที่ขอดกันเป็นปม เรื่องนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจําไว้ให้ดีว่าการแก้นิสัยใจร้อนนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองวิธีคือวิธีที่หนึ่งให้พยายามข่มเอาไว้เหมือนคนบางคนถ้าตามใจตัวเองในเรื่องการเที่ยวหรือในเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเกิดความอยากที่จะทําอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไรก็ตามใจมันทุกครั้งในที่สุดก็ใจแตกยับยั้งตัวเองไม่ได้พอถึงเวลาหรือมีโอกาสเป็นต้องทําอย่างนั้นเสมอวิธีนี้เป็นวิธีที่จะต้องใช้ก่อนวิธีอื่นวิธีที่สองคือการปล่อยตามใจเมื่ออยากจะทําอะไรก็ทําสําหรับวิธีนี้ จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีความกดดันอยู่มากถ้าไม่ระบายออกเสียบ้างก็จะไม่มีทางหายเลยแต่อย่างไรก็ดีคนที่ตามใจตัวเองนั้นควรจะทำเป็นครั้งคราวไม่ใช่บ่อยและจะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจถึงโทษของสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอโดยธรรมดา วิธีนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีพื้นแห่งความดีอยู่ในตัวหลายอย่างเช่นเป็นคนมีความซื่อมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมมีความกตันอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากพื้นแห่งคุณธรรมมีไม่พอการทำอะไรตามใจตัวเองจะมีแต่เสีย ส่วนผลดีที่จะพึงได้นั้นจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีทั้งสองนี้ให้ถูกกาลเทศะ